ทัศนะสู่ธรรมเรื่องเดินทีละก้าวโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะพุทธศักราช2526สองครั้งนี้เปที่กองกองเกี่การปฏิบัตธรรมในการอยู่ร่วมกันของาช่วงสองวันร่มือการเดินทาง เราสำรวจไปด้วยกันแต่วัดตอนคนต่างเดิมเนือคณะหนึ่งจะไปเที่ยวปอาต่างคนต่างคุ้มครองตกวเองแต่เราเดินไปด้วยกันแต่ทุกคนต้องเดินถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เดินเป็นปัญหาของหมนะู่คณะดังนั้นเราจะเห็นได้คุณบุคคนใด ยิ่งบุคคลนี่ถูกทำไมต้อมีผู้ดีจริผู้ปฏิบัติธรรมคนเดียวมั้นจะสามารถกระตุ้นให้ทั้งคณปฏิบัติตามได้ด้วยก็แม้ทางกลับกันท่นในหมูนะ่คณที่เป็นสำรวจป่านิดพุ่หนึ่งเกิดไม่เดินก็ทำให้หลายคนต้องหยุดพูดเ้เบีบอลเพื่อเพื่อแก้ปัญหา วันนี้ให้ทุกคนมีกำนังถึงความรับผิดชอบของการเดินทางร่วมกันแต่ต่างคนต่างเดินกกินข้าวทีละครไม่มีใครกินได้ทีละสองครเราก็พิตาทีละหนึ่งครั้งระพิจรสองครั้งซ้อนกันไห่ะ บางคนเนี่ยเขาจะได้เป็นคลิสองปีอย่งนั้นมันสองผลมันมีผลเดียวเราเดินทีละหนึ่งเก้าเท่าแต่เราไม่เคยเดินออกนอกหนึ่งเก้าเมื่อรทองร้อยโยดผัโยดหนึ่งเก้าเันมีชีวิตอยู่ทีละหนึ่งขณะผู้ใดที่มารู้แจ้งชัด่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเดียวนี้เท่านั้นที่เคลื่อนหว เพรนั่นจะไม่หลงอีกเลยนี่อะไรกันเป็สิ่งที่เป็นธรรเดียสองผลครั้งที่แล้วผมพูดนนนนส่วนใเป็เรื่องการวันนี้ผมจะพูดเรื่องสิงเ ร, รื่องการปฏิบังิตามรู้ใจ่ครก็ตามทุกคนต้งงองสงวนในการไปเที่ยวป่าอุตมาในการเที่ยวป่า แม้จะมีการชี้ชวนให้ดูสองข้างเขาครับมีดอกไม้มีผู้คนแต่หยุดไม่ได้แล้วการเดินต่อทำอย่างเดียวคือเดินส่วนการเห็นมันบางคนอาจจะไม่สังเกตเท่านั้นที่จริงเขาก็ผ่านไม่มีใครไม่รู้ทุกคนก็ต้องรู้แต่บางคนมันไม่ดูมันก็เลยไม่เห็นของมีอยู่เมื่อไม่ดูก็ไม่เห็นเหตุที่ดูเขามีอยู่แล้วไม่ดูไม่เห็น เขาไปเห็นสิ่งไม่มีใช่ไหลที่า น, น, นั่งเราคิด ข, ของไม่มีนะมันมีมันเป็นมายา ท, ที่ของมีแท้ๆจะไม่เห็นเป็นมายาที่นี้ผมจะทำหน้าที่ท ช, ชี้ชวนให้ดูคอนอื่นเตือนทำแล้วก็มีกครการรับทานี้ทำอย่างเดียวเท่านั้น 8ป0 0มสี 4, ่พันมรกัณที่เจ้าสอนไม่ใช่ทระอะไรทั้งหมทีม่้มีั้งหมแต่เร็นะเรียนก็ไม่จบคำสอนทั้งหมดของเจ้ามันสิ่งที่เราปฏิบัติทำอย่างเดียวด้ตัวอยากเข้าไปในความคิดคมันการปฏิบัติทำนั้นทำอยู่ประการเดียวเยไม่ว่า<ม>จะมีประสบการณ์อะไรแตปลง เปนสุดเป็นทุกข์เป็นปีติเป็นความรู้เป็นยานพัฒนาอะไรกันให้ยืนนะนไม่อันเดียวก็จุดที่เนื่องช้าที่สุดของการเป็นแบบจิตวิวจิตวิชกเกิดอะไรขึ้นมันหลงปีติเกิดขึ้นก็รองหยุดเมื่อนคนเดินทางผ่านเห็นดอกไม้สวยๆก็หยุดมันจะไปดื้อนั่นเองถ้าไม่ทําอย่างเดียวนี้นะบการปฏิบัติจะไม่เกิดผล เราดยินเรื่องศีลเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องนิรุตเรื่องยานพัฒนาอะไรต่างๆที่จริงสิ่งน้ำทีเกิดขึ้นตามแบบเหมือนกับเราเข้าไปเที่ยวป่าตราบใดเราไม่หยุดเดินเราจะเห็นดังมีกล้วยอย่างไรมีหลมุมมีเนินมีภูเขามีทุกข์ัดขวางจะเราขึ้นไปนั่งมันยอดภูเขามันย่งจะเห็นรอบทิศแล้วก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เรา แต่ในท่านกลางนันจะยังไม่เข้าใจมันเพ <c oughs> ราะมันอยู่ในช่วงการเดินแล้วก็ุทสอ์ษษษษก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการปัติชี้มันชักชวนให้หลจะเป็นความสงบความแจ่มใสไอ้สิ่งนี้ต้องไม่ใส่ใจเลยสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาความสงบก็ไม่เอาความแจ่มใสก็ไม่เอาตีก็ไม่เอา ไม่เอาอะไรสักอย่างคือไม่สนใจเลยเลยไม่มีอะไรสําคัญเลยการับยินรู้สึกไม่มีอะไรสําคัญเลยนอกจากความรู้ตัวเรียนเรียนนี้ครับเรื่องจังง่ายและรับสั้นเข้าไปเป็นอย่างมากคนที่รู้เรื่อแต่ต้องไม่เขีนจะต้องไปปฏิบัติอะไรอีกนอกจากเรื่องเดียวนี้น <c oughs> ที่จริงแล้วจิตมันไม่มีตัวมันมีแต่ลักษณะอากาตัวมันไม่มีแต่มันมีลักษณะอาาแปลกๆถ้าจะพูดว่าจิตคืออะไรตอบไม่ได้มันคืออะไรไม่มีนมขึ้นาหรือว่าแตจิตในวัตถุคืออะไรตอบไม่ได้สิ่งที่เจ้าท่านต่อว่าเป็นวัตถุเป็นท่าในนี้เป็นบัญญัติเรียก บั ญ, ญยัตเรียกขึ้นมามนเนี่ยธาตุดินธาตน้ำธาตมนั่นเรียกส่วนบั ญ, ญยัตคือบัญญัตคือร้องเรียกขึ้นเรียกขันเรียกธาตเรียกหยบนั่นสิ่งจริงๆแล้วมันไม่รู้มันเป็นอะไร What ที่นี่วัดถือโดยมิแทโดยประมัดแล้วมันเราไม่รู้มันเป็นอะไร โยนือแท้โดยประมิเราก็ไม่รู้ว่เป็นอะไรแต่จิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แต่มีอยู่ในลักษณะม้กกว่าแม้วตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นอรไม่างรูไ้ไม้ไหมใครชื่อมันชื่อไม่ใแล้วคาเป็นส่วนที่สมมติขึ้นแต่ประกอบต้องมันก็เย็นม้นก็สอลักษณะหนึ่งเพราะจริงมีเสียงเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ที่มาถึงเรื่องาราวของชิตมันมีลักษณะมากมายแต่ลักษณะ น, นั้นม้วนแล้วจะเป็นสิงหลอกลวงเหมนสีที่นี้แต่ก่อนมันเฉียวใช่ไหมครับเหมือนกันอ เ, เรยว่ามันเป็นมายัมันเปล่ากับจริงแต่มันเปลี่ยนแปลงด้วยลักษณะทั้งหลายจบสุดปลายใต้ความเปลนแปลงรู้เท่าไม่ทำเแต่หลงยึดวัจจิน งั้นเรามาดูจิตดูใจกันดีเพราะความสุขเกิดมันจะหลงทันทีเข้าใจไหมครับพอความสุขเกิดจะหลงทันทีเลยเพราะความสงบเกิดหลงทันทีครับเพราะความสงบกด็ดีความสุขก็ดีม้ความทุกข์ก็ดีเป็นเพียงลักษณะห น, นึ่งของจิตเราก็เพคว้าลักษณะ น, นั้นแหะมันเป็นความจิตแล้วเดี๋ยวเราก็รวยว่าเอ๊ะทุางมันเปลี่ยนที่จริงมันก็เปลี่ยนอยู่แล้ว เราเพ่งได้รู้เราพ เ, เราพิ่งหายงงนัง้นการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อหายงงไม่ใช่เพื่อฉลาดขึ้นเพนั้นจิตที่เราคิดว่าโอ้จิตเป็ น, น, น อ, อ, อ, อย่างนั้นโอ้จิตเราก็มังสุดจิตเราก็มังอย่างนี้ไปคว้าเอาลักษณะนมาซึ่งเป็นของปลอมขึ้นมาเป็นตัวจิตจิตมันไม่สุดไม่ทุกข์จิตมันไม่ดีไม่ชัว่วจิตมันไม่สูงไม่ตม่ำจิตมันไม่ได้กล้ายไม่ได้กล จิตไม่ได้เล็กไม่ได้อใหญ่จิตมันรู้ทั้งนั้นมันรู้เฉยๆแต่ผมมันไป ร, รู้สุกข้าเรากนหลงกลายเป็นอาการหนึ่งเหมือนก็ว่าในกะจกนะพะมันส่องเข้ากับอะไรนอะไรมันองหน้าเราเห็นช้างเห็นหมีอันนั้นเป็นลักษณะสะท้อนอยู่ในกระจกมันสะท้อนในกระจบแต่เราไม่รู้จักตัวกระจกหรือถ้าเพลย์ที่วิชาณิจร มันเป็นรื่นเป็นรอนเปันปุเปะมันก็เอกนเอกคู่รักแต่มันฉายบนจอแต่มันก็บังจอด้วยเราก็ไม่เห็นจอทั้งทั้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดในจอบนจอเข้าใจไหมประมวลเข้าไปในเรื่องเหมือนี้จิตกันพันกันเรามอลเข้าไปในความคิดในกระแสในเรื่องราวของเรื่องก็มากแล้ในความคิดนั้นก็มีพระพุทธเจ้ามีสุติชน มีตัวเรามีสังสารวัตรมีพนิธานมีความดีมีควา ม, ม, มชั่วมีตัวฉันผู้เป็นทุกแล้วก็ลางวันหนึ่งเราจะถึงที่สุดมันเข้าไปในเนื้อเรื่องนั้นแล้วนะครับดังนั้นยิ่งเข้าในเนื้อเรื่องเทานะ่าไรจะยิย่งแยกออกสังสารวัตรอย่างนั้นพนิธานอนักิเลสอย่างนั้นการหมดกิเลสอย่างนั้นคิดขึ้นเพ้ยงนั้นครับ <c oughs> ดังนั้นยิน่งปฏิบัติว่ายิ่งหลงแบ <c oughs> บนี้ การที่จะทำให้รู้จักจิตได้จริงๆคือต้องทําจิตให้ไม่เป็นจิตกคืออยากให้มันเป็นเรื่องบรรหนาวอย่าให้ติดนี้จิตในคิดตอ่อเนื่อ ง, เ ป, องเป็นเรื่องบรรหนาวขึ้นปิดทำให้มันไม่เป็นเรื่องเลยเข้าใจไหมทาให้มันไม่เป็นเรื่องเลยทาให้ไม่ได้เรื่อง เ, อเลยครับแบบนี้ระวังให้ดีนะครับคุณผู้ เราปฏิบัติทำเราม่แก็นั่งนึกถึงพุทธเจ้าเอออย่างนั้นอย่างนี้นเดินจงกรมไปคิดไปว่าเรากำลังเดินจงกรมอย่างนี้มันเป็นเรื่อง ค, คือทำให้มันไม่ได้เรื่องในเราเนยะเดินอย่างนั้นให้มันฟื้งขึ้ น, นแทนที่จะทำให้สงบระวังให้ดีนนะเเดินนี่กระเต้นเนมันฟุง้งซ่านให้มันฟุ้นใหมันตื่นขึ้นมาอย่าเป็นนั่งสงบเพรนั่งสงบเข้ไมัมาจะหลงครับ ว่านั่งสงบหลักตามที่ปีแล้วคนะทั่วไปเป็นห น, นึ่งนั่งสกกงก็ไปตนะินลักษณะอันหนึ่งของจิตในลักษณะสนบความสงบธรรมนั้นเป็นลักษณะหนึ่งองจิตเป็นอาการหนึ่งคล้ายๆนี่หลครับไข้นีหม้อนใ่เมลีอาไข่โป่งไข่ปลาไขา้เหลียงไข้มัดโรคอาการมันต่างๆๆ่ง ๆ, ๆ, ๆ ม้าเารู้ดีดูตบดูตาเรียนเาป็นไ้นี้ไ้นี <c oughs> แต่การอาการไขอ้อ น, นี้ไม่ใช่สภาพปกติของร่างกางงนอยู่สองแล้วเราปฏิบัตินี้เองการปฏิบัตินี้ถ้าเราไปหลงอาการนนเราจะไม่รู้ความจริงเช่นความสุขจิงหรความสุดเป็นอาการหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในเรา มันนีเราเดินให้มันให้มันตื่นให้มันรู้รู้เฉยการรู้เฉยๆรู้ๆคือมันรู้ตัวมันเองคือมันรู้ตัวแต่ถ้ามันไปรู้อันอื่นในนิการรู้ลักษณะอันอื่นเรกว่จิตมินิมิตเพมันไปรู้อะไรเข้านี้เรียกวจิตมินิมิตจิตมินิมิตนี้จะเป็นสมองที่ที่จะนำมาสู่การยืแจ้งไม่ได้งนั้นพระเจ้าจรว่า สมาธินี้เกิดหรือสมาธินมีสองปัญญาิตะอนิเวตตาศุนยญาตะผู้菩萨 พ, พระฟังหนูไม่รู้เรื่องคือว่าสมาธิที่เกิดจากการไม่มีที่ตั้งที่อิงของหนูท่จิตมันไม่อิงกันอะไรเลยลไม่มีมิติการกระทุ้งจิต ว่างจากจักรพนมิตรทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภานไม่คิดเลยดังนั้นอย่าสนใจไหมกับตัวเองอย่าสนใจว่าสุขทุกขอย่าไปใส่ใจปวดหัวเจ็บตาเวลาเดินปฏิบัติจะเกิดอุปสรรคและการที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคนี้เองจะพิสูจน์ถึงสติกำลังของคุถ้าสติไม่พอมันจะสนใจเช่นเดินไปแล้วมันจะเจ็บตาเจ็บบ้าตาเจ็บกระบอกจางขึ้นหรือวมุ่ย ที่เกียจขึ้นว่าเราจะสนใจมันเรียกมาร น, นะครับกําลังมาเรียกเราให้สนใจมันเราสนใจมันแล้วนะครับมันก็เกิดเป็นนิมิตของจิตขึ้นเมื่อเกิดนิมิตก็ติดนิมิตมาคำว่านิมิตทุกอย่างนะครับเป็นนิมิตอะไรก็ต่อรับเราตบขึ้นขึ้นกายขอเราก็เป็นนิมิตทั้งนั้นดังนั้นเมื่อ จิตเปิดสายใจจิตนั้นจะไปเกิดเข้าใจของมเกิดวิญญาณนั้นจะกลายเปนปฏิสนธิวิญญาณนี่เจะเกิดเรื่องขึ้นนัเองมันมีอะไรเกิดนิดตัดสนใจเกิดเรื่องอย่างนีนะ้คิดอีกอ่าวันนี้จะสนใจอะไรเมื่อสนใจใครทั้งนั้นเวลาปฏิบัติไม่สนใจเรื่ององงงงไม่สนใจเรื่องเร่องไหนแต่ให้รู้เพืนรู้รรเดินไปกับเลื่อนหน วุตใจของการจเจริญกับเสนอคือการที่ไม่เข้าไปในความคิดเมื่อไม่เข้าไปในคามคิดแล้วเสนอที่จะเริ่มต่อะตัวขึ้นอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็จะเกิดการเห็นแจ้งขึ้นเองุกครั้งที่คามคิดเกิดม่รู้ตัวไม่เข้าในความคิดมันก็สะสมสติ สะสมความรู้ตัวเมื่อสะสมไปเรื่อยๆก็ต่อเนื่องกันขึ้นดังนั้นจากลำธานเล็กๆที่เรียกว่าสติจะกลายแม่น้ําใหญ่ซึ่งเรียกว่าสมาธิสติกับสมาธิเล่นเดียวกันแต่เมื่อะติต่อกันดีการสมาีิ <c oughs> จากสมาธิมันจะแตกไปสู่ทะเลที่เชื่อวปันเนี่ยมันจะเข้าใจเอง เข้าใจชนีนะะ้หมครับจงงสบัสบสนเอ๊ะทไมต้องเร็วทำไมต้องเรยวสมาร์ททมา้องเรวปั่นเร็วที่จริงรื่งเดียวทั้งนห้แ่แ่ม่น้ำานี่ไหลต่กทาเอเรยกจริงวังยงหน้าหนลงมาก็เรียววกว่าน้ำจะไปจะผ่านตาบลโน้นก็เรียกชื่อนั้นอ่านําบลโน้นก็เรียกชื่อนั้นุณ น, น, น, น, น, น, นมีแต่ชื่อแต่ว่าอาการจริงมัจนจะมีตรงนี้เช่นมน้ำผ่านจังหวัดนี้น้ำมาากกันจะขุ่นพอานแวงวัดนี้น้มามันจะส แต่ไม่ว่าน้ำขุนหรือน้ำใสก็น้ำเหมือนกันเป็นน้ำเสมอกนานเจ้ตัวการรู้ตัวนี้ครับของความรู้สึกตัวเรียบเหมือนลำธารบางตอนมันขุนบางตอนมันใสแล้วมันมันไหลเรื่อยแล้วเรื่อยๆมันจะสายขึ้นสายขึ้ น, ส า, นสายขึ้นเอมลำธารสายนี้เนี่จะนําไปสู่ความรู้แจ้งรู้จักตัวเองอย่างตรงแท้แต่ถ้าไปติดชื่อ แต่แค่โดนเนยลำธารนนี้สายนี้ที่นี้เป็นคนละอันกันนี้แสดงมันหลงในกับใจไม่สิบเมื้อความรตัวนี้ปรากฏขึ้นเป็นขึ้นในตัวมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้อะไรอื่นมันไม่เห็นอะไรอื่นและางตานี่มันก็ไม่เห็นอะไรอื่นแต่มันก็เห็นทางหงอทางหก็ไม่ได้ยินอะไรอื่ทางใจนี่มันก็ไม่ได้รู้อะไรมันก็รู้ตัวมันมันก็เห็น สิ่งที่ที่ทั่วไปไม่เห็นคนทั่วไปมันเข้ามาในความคิดเข้ามาในกระแสความคิแล้วก็คิดจะปฏิบัติทําะแตยมันมันหลงแล้วเนี่ยมันจะหลงหมดมันหลงไปในความคิดแล้วมันจะหลงคิดว่าเราจะปฏิบัติทำเราอยากจะหลุดพ้นดังนั้นความอยากจะหลุดพ้นนั้นเป็นต่ำเป็นความหลงลแต่มัไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ ไม่เข้ากันในกระแสของทิตไม่มีครังสังสารวัตรต้องมี้หรืผ่านด้วยรูก็รู้อยู่อย่างนี้จากจี่นี้มันจะชงแรกแทรกซึมมาในตัวมันจะเกิดชงแรกแทรกซึมมันจะรู้เมื่อรู้ตัจริงๆที่ไม่ต้องผ่านพระคำพิรืธออกทางมันจะเข้าใจอันนี้พระเจ้าคำเรียนธรรมท่านอยูตรงที่ตัว ไม่ใช่สองนะทุนต้อมาหาตัวนั้ น, นะ น, นแต่ถ้อยคำที่ท่านสมมติที่มันอยากเรียกขึ้นไปให้ผลจมันข้าที่คนฟังมันคิดจะหาความจริงในตัวเองไม่ได้หาความจริงที่ตัวซึ่งเป็นแล้วมีพระเจ้าที่บอกให้ามาันดูที่ตัวเง น, นเป็นอย่างไรแล้วคนก็คิด้องมีสมมติดังนั้ น, น, นภาษาถ้อยคหญิงเกิดเป็นอุปสรรค เป็นภูเขาเหล่ากาบางทีนี่คนไม่ติกี่คนในสมัยกุฎกาที่ปฏิภาณดีพ อ, อฟังจับประเด็นนี้ได้แล้วจะไม่หลงอีกเลยตอนนี้เมื่อ 2,500 ปีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดสิ่งที่เรียกคำสอนของขุนเจ้าเนี่ยเื่อหามันซึ่งรัดปัดตรงนหมด ท, ที่ตัวเราเองได้กับกลายเป็นระบบ สองวามเชื่อคือบบคิดคือแบบมเชื่อทางวัตถุแนเงดังนั้นเราจะพูดจต็ทั้งวันเตนคืนเรื่องพระนิพพานเรื่องกิเลสเรื่องนุ่มเนื้ยในในความของเราพูดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้วันนี้แทนที่จะให้เรื่องมากในการปฏิบัติธรรมเป็นความในเรื่องน้อยจนไม่มีเรื่องน้อยจนไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่มีเรื่องอะไรคล้องใจ คนเราไม่มีเรื่องอะไรคลางใจเดินรักษบัานทีนี้เราปฏิบัติที่จะไม่ให้มีเรื่องมีจะเอาเรื่องเข้ามาไม่ได้การปฏิบัติให้ถึงความจริงต้องเอาความจริงนะเนี่ยมาเป็นตัวยืนพูแล้วไม่อตอนเช้าไปถูกต้นสาเอาเม็ดสนะายมาไอม็ดขนุนมาฝูงเอาต้นสายนั้นไม่ได้ผมออกเป็นขนุนซิเอาเม็ดกวดมางก็ไม่ออกนั้นจะปฏิบัติให้รู้ตัวก็รู้เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่รู้พรุ่งนี้นะใช่วันนี้มานั่งมานอนเล่นที่วัดก่อนนะว่าว่างๆค่อยรู้หรือรู้พรุนี้ต้องรู้มันเดี๋ยวนี้เลยไปไม่ใช่คิดว่าปฏิบัติทำถ้าคนใดที่ยังคิดตัวเองปฏิบัติทำลแล้วเดินจรงไปการเดินนั้นนะครัเดินภายใต้ความคิด <c oughs> สิ่งที่เห็นนั้นจะเห็นภายใต้ความคิดแต่เมื่อความคิด คลุมในเบื้องหลังพอตื่นนะคแต่ความคิดที่อยู่เบื้องหลังนี่เห็นยากที่สุดคนเรามีโปัวคนอื่มันจะไม่เห็นความคิดที่คุมอยู่เบื้องหลังมันคิดว่ามันถูกเลยแล้วมันไม่รู้ว่ามีความคิดที่พมมันอยู่ดังนั้นจึงเกิดพฤติกรรมเรียกวเกิดกระทากรรมเพราะควคิดเขาไม่รู้ไม่เห็นตัวความคิดเองพอรู้แล้วความคิดที่ถูกดันอยู่เบื้องหลังจะหมดแรง มันจะรู้สึกเหมือนก็เปลื้อนเสือ้ออยู่นะับ้จะเหลือเป็นมือตัวล้วนเห็นก็เห็นตรงๆพอคิดวุ่นวุไปมันก็รู้มันก็รู้ชัดอันนี้เรื่องสมมติเกิดมันเห็นสมมติมันเห็นปรรมตที่ไหนาการปฏิบัติทางจิตที่เราเกิดกินแลว้วคุณพเจ้าท่านท่านเจริญปฏิัติสมองปฏิบัติทางใจจิตนี้จะเป็นฝุ่อย่างอื่นไม่ได้ การฝึกจิตแผงแผลงน้ำอันตรายฝึกก็เห็นแสงเห็นสีนี่ฝึกก็ยันเป็นอันตรายแล้วผู้นี้จริงมันจะขยับขยายที่ทำแม้แต่การฝึกให้กําหนดอะไรเนี่ยมันก็เริ่มทีเลนเต็มทีที่จิตมันฝึกให้ทำหนึ่งอื่นไม่นอกจากให้รู้เพราะธรรมชาติของมันมันรู้เแล้วจับแบบนี้ให้มันพายมาเรารู้สึกคารุนวเวลาเราฝึกจิต จะึกทงแ้วก็สิงอ่คือให้มันรู้มัอดูก็ให้รู้รู้ตัวเคลื่อนเหมือนข้าวจะรู้เคลื่อนเหือนอะไรน่งก็รู้ยืนก็รู้เมื่อทำอย่างนี้ชื่อการทำถูกการทำถูกต้องต่อจิตแล้วถ้าฝึกให้มันรู้อย่างอื่นอย่งเราเรียนในโรงเรีย น, ร, ยนรู้หายอะไรมันฝึกให้เรียงจำนั่นอีกเรื่องนึงแล้วเราจะเจอคนคนรู้มากเนี่ยคิวโผทุกมากถ้าไปฝึกมันแข็ง ฝึกให้ฉลาดคิดลึกไปนะมันไม่เคยที่จะฝึกให้รู้เฉยๆหรือเรก็ทิ้งเลยเนี่ยเราไม่เคยฝึกใช่ไหมครับแันนี้ในเรื่องธรรมธรรมเขามรู้แล้วก็ไม่รู้อย่าไปสนใจความคิดลนะึกเราไปยินว่าให้ดูความคิดที่จริงไม่ต้องดูครับคุณไปดูความคิดเดี๋ยวก็ถล่มลงไในความคิดคดูไม่ได้ครับจนกว่าความรู้ตัวนี้ต่อเนึ่งกันดีแล้วมีกำลังพอ มีความคิดเกิดมันจะดูเองมันจะเห็นเองแล้วการเห็นครั้งนี้เป็นการทำแหลกขอคิดค่อยๆแบบม่านมันมีกรีดตั้งไงอย่นก็เปิดออกไปทางนั้นได้ทันทีมันจะพบทางออกทันทีแต่วันนี้ถ้าไปดูความคิดนี่ถ้าไปยืนตากเหวี่ยแล้วก็ดูตาลายแลดีกก็ล้มข้อมจะไปดูความคิดให้รู้สึกตัวคิดก็เพ่งเลย อยา wa, ่าตามคิดว so ่าเองเมื so you know ่อกี้เราคิดอะไรอย่างนั้นไม่ทําไม่ต้องไปรู้ไปชี้ไม่ต้องไปสนใจความคิดรู้ตัวเลยทเถื่อนไปพอคิดก็คิดแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าคิดอะไรพอสมมุติเผลอเข้าไปในความคิดนี้แต่ก็เผลอแล้วไม่ต้องไปสนใจเอ๊ะเมื่อกี้เราเผลอเพราะเมื่อกี้เมื่อคิดว่าเมื่อกี้เราเผลอเราไม่คิดอีกแล้วเข้าใจไห้ครัเรามักจะถูกความคิดเนี้นตลกเอาเรืเลย ก็เผยตัวก็นั่งคิดไงเสียดายเสียใจมากเลืมตัวอตอนนั้นคิดอีกแก็ไม่ให้ย้อไม่รู้สึกตัวเดินแรงๆเดินแรงบ้างค่อยบ้างช้าบ้างเร็วบ้างกตุ้มมนมนใ้มัตื่นตัวแล้วก็จะไปรู้สภาพจิตชัร้ายนิดเมื่อรู้สภาพจิตชั่งร้ายนิแล้วไอกั น, นี่ยมังจะ ก็เป็นเองดูมันจะเริ่มเห็นความคิดทีกต่อเนื่องหม่ๆก็ต้อ ง, ง, ง, าองลาดรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างอันนี้ก็ถูกต้องมันเป็นเรื่องเป็นธรรมดาคิดต่อขึ้นขึ้นคนงามขึ่นเล็กขึมันจะตามมาเองคือมันเป็นธรรมชาติของมันแล้ว ที่ลุกขึ้นทั้งหเนี่ยต้องตามไปอยู่กับวาที่นีเพินนะ่ไอตัวนี้มันเป็นจริอย่นงเยมันเป็นประมัดอยู่างเป็นของจริงไงที่รู้ตัวอยนะ่างเี้ยยกมีอก็รู้มือธรรมดาว่ารู้ตัวแล้วเนี่ยทำอะไรมันก็จะรู้จริงๆขึ้นเพราะผมเจ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นปัจจบันรู้แล้วจะรู้จริงจริงขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ตัวจะไม่รู้จริงๆขึ้นถ้ามันลงจะแล้วจะหลงแล้ว ทำอะไรกหลงไปเรื่อยๆครับหลงไปเรื่อยๆทําไม่หลงจะแล้วนะครับไม่ทาอะไรนี่มันจะรื้อขึ้นเรื่อยๆรือขึ้นเรื่อยๆถ้าไมี้อตัว่ปฏิบัติเล็กปฏิบัติน้อยบางทีไงที่ดเดอนบางทีไปอดข้าวกินเชยใครมาชวนนั่งแล้วก็ไปคายๆจะย้ายขึ่งเนี่ยรับจับไม่ทีลยตัวที่เลยตัวหรือธรรมนาปาน เมื่อทานาปลาเข้าไอตัวนาปามันก็บังเลยอีกเมื่อต่นรรนาพุโทโธไอพุโทโธก็บังเราบางคนยังเล่นถ้ยอยคยพดเข้าโเอ่จริงหย่บคทานาะอันอื่นก็ได้ครับแต่พูดว่าอยากโกรธม่ใครทำเลยนะครับแต่พูดวาขนมจีนน้ายาเนี่ก็ได้พูว่าอะไรก็ได้ครับเพอเมื่อาทาอย่างนี้นจิตก็ไปเกาะเราเนี่ยผน่งพูดว กินข้าวกินออกข้าวข้าวอะไรก็ได้ครับทำอย่นี้กับินก็ไปเกาะตอนนั้นอยู่ก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้เรื่องจิตสงบมันจริงก็จปทำมันขึ้นนะแต่งเพ่งดูอะไรนะี่เยอะค่สมุกถ้ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็จะทาเล็กทำน้อยเหมือนคนเหมือนคนไม่รู้อะไรคน่ะ่ข้าวทีละช่วยคิดแคนห้าคนนี่หุ้มทีละชาหุ้มเจ็ด ตอนี้่จะปฏิบัิธรรมนะเอาทั้งหมดทั้งหมดที่เรามีซึ่งเป็นของจริงเป็นตัวตั้งแล้วตัวตั้งตัวเนี้เป็นตัวจบเลยมันมันแสดงตัวหมดมันก็จะจบในตัวคือมันจะมันจะจบในตัวมันครับระวัามีทางออกนี้ในตัวกำลังเหมือนจากข้าวดิบๆโอนกันทั้งหมดนี่เป็นเวลาสุดหมดนี่ ตอนนี้ออกทงรอดทางรอมทายหลุดผก็มีอยู่ที่ตัวจะหาที่อื่นไม่ได้เพราะมันทุกข์ที่ตัวเรเนี้ยเวลาทุกข์มันทุกข์ที่นี่ยนี้ม่ามันจะสิ้นทุกข์มันจะสิ้นสุดที่นี่ถ้าา็คนท้องเสียเนคนท้องเสียมันจะรู้ตัวขึ้นมาว่าท้องเสียนั่งถ่ายถ่ายไปมันสิ้นจิตเองที่ตัวนี้เหมือนกันมันรู้ตัวขึ้นมาออนี้ ที่สุดตอนนี้ถ้าปฏิบัติธรรมะข่านเด็ดทองเลยนะ่าจริงเลนะไม่เล่นนะไม่ล้อเล่นไม่เกี่ยวข้องแนมะ้แ่เรื่องขอมวดธนิีเฟนีอะไรนั่นซเป็นส่วนที่แม้จะเป็นสิ่งที่ดนะีแต่มาถึงเรื่องปฏิบัติธรร ม, มนะนี่เอามาเกี่ยวไม่ได้ครับแต่มันมีไว้เพื่อสิ่งโอเงงข้าวส า, ารางยกมือไหนะ้เป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าใครก็รู้เปน ต่สิ่งที่ดีแาบนี้เราก็ก็สืบต่อไว้ในฐานะเป็นสมบัติของชาตเอาเด็กินหลังนี่จากอนันกเบื่ออ้อนั่ น, น, ก, น, นก็สมมอเจ้าอะไรยนย่งนี้สิพินวลาข้าไปเทศการทำบุญตับบาทซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมากมันก็เป็นแต่สิ่งที่ที่ต้องสนใจไม่สนใจไม่ได้เสียหายก็แรงที่ี้ แล้ม่อใครนะครับยอมนมาปฏิบัติอันนี้แล้วไม่ต้องอธิบายมันไม่ต้องการคําอธิบายตัวมันเองจะจะจะบอกทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแค่แค่เม่เราเม็ดสายเขราในดินในระดน้ำไม่ต้องไปใช้มันเป็นเ้นสายมันเป็นจะเป็นขึ้นมาแล้วถ้ามันบอกพรุ่งนี้เป็นนะถึงเวลาเป็นแต่ถ้าไม่ถึงเวลาไม่เป็นดันะงกกนั้นจับความรู้สึกตัวนี้ทให้ดีดู ภาพรู้สวยๆรู้ล้วนๆคลิกมืเล่นคิกมือไปเจอให้เอาเรื่องนี้ล้วนจริงๆอย่าเอาเรื่องอื่นถ้าเอาเรื่องอื่นมาปนนะครับบางทีจะไม่เป็นไะครับให้เอาเรื่องนี้ล้วนๆจริงๆเลยมคทำหนึ่งนี้จริงๆล้วนๆมันจะไม่มีเจอไม่มีอะไรเจอความรู้สึกตัวการรู้ตัวล้วนๆนี้เอง มันจาะสมแดงพรั่งปะจัคล้ายๆตนใจนี่เองเม็ดนิดเดียวนี่เท่าไม้ถั่วไม่น่าเชื่อมันตัใหญ่โต